โมตสัะปะคะวะโตอาราโตสัมมาสัมพุทธสักขอนอบ น, อน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นนี่คือรายการธรรมารา บ, บรุนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นแม่ข่ายให้ทางเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ ในวันนี้อาตมาพระภัยบูรอภิปุโนจากวัดตาดอนไหายโศอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีจะได้มาเป็นผู้แสดงปาตกะตาธรรมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในรายการธรรมารัปรุณ น, นี้ซึ่งก็จะมาเป็นประจําในทุกวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ในวันศุกร์ก็จะเป็นรูปแบบของการปาตกรตาในวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นการสากาักการคือการสนทนาธรรมกับคุณ เื่นใจสินทุวันิคแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามหรือว่าสิ่งใดที่สงสัยก็ให้ส่งกันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายหรือว่าทางเว็บไซต์ที่เพียรธรรมะ .com p u r e d h a m m a. com ถ้าเป็นทางจดหมายก็ส่งมาได้ที่สถานีพิธีกรชายเสียงประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิทธ์ดินแดงกรุงเทพหนึ่งศวันนี้เรื่องที่จะมาชี้แจงแสลงการประรัาษาให้ทราบก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสติจอเสือตอเต่าสรีสติเรื่องที่จะพูดในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญประโยชน์แล้วก็วิธีการใช้วิธีการพัฒนาทำอย่างไรถึงจะได้สติมาได้ พูดถึงเรื่องของประโยชน์ก่อนประโยชน์ของสติเนี่ยมีอย่างไรบ้างตอนนั้นพระพุทธเจ้านั่งอยู่คนเดียวแน่นั่งอยู่ผู้เดียวใต้ร่มไม้ไทรต้นไทรนั่นเป็นที่พักของเด็กเลียงแพะใน ต, ตอนนั้นเนี่ยสามบดีพรมก็ได้มานิมนต์ให้ทรงแสดงธรรมแล้วแล้วมานก็มานิมนต์ให้พริริพานแล้วพระพุทธเจ้าตอบรับคำนิมนต์ของสามบดีพรม แล้วก็ปฏิเสธการนิมนของมานก็มานั่งอยู่ใต้ต้นต้นไทรมานั่งวิจารณาอยู่ว่าเอ๊เราจะสอนทำหมดไหนดีเนาะทำอันไหนที่คนในโลกนี้ที่ยังเสพกรามอยู่เ อ, อบอินไปด้วยก ร, รมคุณปั้งห้าเนี่ยจะสามารถมารู้ทำอันละเอียดวิเศษเลื่อเลอปานี้ได้นั่งพิจิพิจารณาไป ท่านผู้ฟังต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยทําไมเว้นว่างไปทั้งสองเดือนนั้นตรัสรู้เดือนหกไปสอนปัญจบุกีเนี่ยเดือนแปดสองเดือนนะสองเดือนนี้ทําอะไรเขาก็ทําความเพียรมาตั้งหกปีเนาะจะขอเวลาพักสักสองเดือนเนี่ยก็ทํำไมจะไม่ได้สองเดือนนี้นอกจากพักแล้วเนี่ยก็ยังใคร่ครวญธรรมะว่าเออเราจะสอนธรรมะหมวดไหนถึงจะเหมาะสม พระรูปเามาค่อยๆกลัแล้วก็พบว่าสติปัฏฐานสี่นี่แหละสตินี่แหละเป็นธรรมอันเอกเลยเราจะสอนนี่เราก็ต้องสอนสติปัฏฐานสี่ในตอนนั้นจึงมีความปริวิตรกเกิดขึ้นอย่างนี้ว่านี่เป็นหนทางเรื่องไปทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรลําพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุ ซึ่งยั่งย้ายทำเพื่อทํำนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐานทั้งสี่ณวินาทีนั้นพอมีความคิดความดําริอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วนะสามปฏิพรมที่อยู่บนชั้นพรมไม่แอบรู้ความคิดของพระพุทธเจ้าดในใจก็เลยรีบวาบลงมาเลยมหาพระพุทธเจ้าพอมาหาแล้วก็กล่าวอย่างนี้บอกว่าแหมถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วสาธุด้วย สัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตที่มาตรัสสรู้เนี่ยก็ทรงสอนสติปัฏฐานสี่สัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะมาตรัสสรู้ในอนาคตก็จะสอนสติปัฏฐานสีแม้สัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะนี้ก็สอนสติปัฏฐานสีคือสัมมาโคดมแล้วก็วับหายไปพรรมก็ยังมาอนุโมทนากับการที่ใช้สติปัฏฐานสีในการสอนแม้ว่าตัวพระองค์เองก็ยังบอกว่า คือพระองค์เนีมีความอัศจรรย์ในจิตอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือว่ามีสติอยู่ตลอดเวล า, าเห็นความรู้สึกเกิดขึ้นเห็นความรู้สึกตั้งอยู่เห็นความรู้สึกดับไปก็รู้เห็นความคิดคือความคิดวิจกในจิตเนี่ยเกิดขึ้นก็รู้ตั้งอยู่ก็รู้ดับไปก็รู้เห็นความหมายรู้ในสิ่งต่างๆเกิดขึ้น ในจิตนั่งอยู่แล้วก็ดับไปก็รู้คือเห็นเมตนาสัญญาวิตกเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการที่เราทาอย่างนี้มากๆเนี่ยก็ชื่อว่าจะเป็นการฝึกสติเพราะฉะนั้นความมหัศจรรย์ในจิตของพระพุทธเจ้าเองก็คือมีสติอยู่ตลอดเวลาพระอาหารหันต์ก็เหมือนกันพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยมีสติอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นความมหัศจรรย์ในจิตของพระอาหารหันต์ด้วยเหมือนกัน บรุษชาไม่ได้บอกว่าการที่หาะเหินเดินอากาศมีฤทธิ์ทายจิตคนได้เนี่ยพวกนี้เป็นความวิเศษความมาสัจจั์ไม่เคยพูดเลยแถมยังมีความรู้สึกรังเกียดอิจนาระารังเกียจกับสิ่งเหล่านี้ด้วยสิ่งที่เป็นเรื่องอิทธิปธาฏิหาริย์แต่กลับมาบอกว่าการที่มีสติหยุดตลอดเวลาทุกวินาทีทุกขณะจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่มาสัจจันคนที่ยังไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมะอาจจะงงอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไม พอเคื่นเทอมอากาศน่าจะวิเศษกว่าปฏิหารกว่าอัศจรรย์กว่าแต่ว่าการที่มีสตินี่ทําไมถึงเป็นเรื่องอัศจรรย์อันนี้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าความเป็นเหตุเป็นผลของเรื่องสตินี่เป็นอย่างนี้คือการที่เรามีกายสังเกตเห็นกายสังเกตเห็นความรู้สึกสังเกตเห็นจิตของเราเองหรือธรรมะพินิตพิจารณาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยสังเกตตรงนี้ได้เนี่ยเป็นเหตุ เป็นเหตุของอะไรผลก็ที่เกิดขึ้นก็คือสติพอมีสติแล้วเนี่ยสติเนี่ยจะเป็นที่เล่นไปสู่วิมุติพร ะ, ระพุทธเจ้าบอกว่าอินซีย์เนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่จิตอินรียคืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายนี่ไงใจด้วยทั้งหมดเนี่ยจะวิ่งทอดไปสู่จิตจิตเนี่ยที่ถูกฝึกดีแล้วเนี่ยจะเป็นที่เล่นไปสู่สติอินรีย์เป็นที่เล่นไปสู่จิตจิตเป็นที่เล่นไปสู่สติและสตินี่แหละ จะเป็นที่แล่นไปสู่วีมุติสติเป็นที่แล่นไปสู่วีมุตดเพราะฉะนั้นตอนที่พวกเราพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยจะลักขันกายนี้กายก้อนนี้เนี่ยจะแตกกลับไปเนี่ยพระอรหันต์ก็จะมีสติอยู่ตลอดเวลาสติที่มีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นสติแบบที่มีปัญญาด้วยนะเป็นสติแบบที่มีสมาธิและปัญญาด้วยซึ่งเดี๋ยวต่อไปจะอธิบายให้ฟังว่าสติแบบที่ไม่มีสมาธิและปัญญาจะเป็นยังไง สติแบบที่มีสมาธิและปัญญาเนี่ยเวลากายที่จะแตกดับไปเนี่ยจิตเนี้ยจะไม่สามารถก้าวลงสู่กายนี้ได้อีกก็จะไม่มีที่อยู่จิตพอ ม, ม, มันเกิดแล้วมันก็ดับไปนะเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปพอเกิดแล้วมันดับไปเนี่ยจะเกิดใหม่เนี่ยมันก็จะต้องมีที่ก้าวลงก็คือนามรูปอันใดอันหนึ่งซึ่งก็จะอาศัยกายนี้จิตดวงที่ดับไปแล้วเนี่ยจะก้าวลงใหม่ถ้าเรามีสติและปัญญาอยู่ตลอดเวลา การก้าวลงของจิตดวงใหม่จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามีสติในการที่จะปล่อยวางอยู่ตลอดเวลาพอการไม่มีการก้าวลงของจิตดวงใหม่คือดับไปหมดสิ้นเนี่ยก็ตรงนั้นแหละคือวิมุตต์ซึ่งทุนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นความอัศจรรย์มากเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่มีการวิมุตต์เป็นเรื่องของปุถุชนแต่คนที่จะเข้าสู่วิมุตต์ได้มีสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นพระอริยเจ้า เป็นพระสมาสัพพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจาพระอรหันตเจ้าทั้งหลายที่จะมีความวิเศษอัศจรรย์อย่างนี้ได้เรื่องของการมีสติเนี่ยพระพุทธเจ้าเน้นย้ำ ม, มากในการสอนของพระองค์เองไม่ว่าจะสอนเรื่องขันห้าปฏิจจสมุปบาทอายตนะภายใ น, น, น, นยเรื่องการขบฉันเรื่องข้อวัดต่างๆทุกอย่างมีสติกำกับหมดทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าทุกอย่างต้องใช้อะไรทําสั่งจิตไงต้องใช้จิตสั่งต้องใช้จิตทำคุณต้องมีสติรักษาจิต การมีสติรักษาจิตเนี่ยเหมือนกันกันกบบุคคลคนหนึ่งพระเจ้าบอกนักโทษคนหนึ่งนะถูกผู้คุมขังเนี่ยสั่งให้ถือบาตใบหนึ่งหรือหม้อใบหนึ่งหม้อใบนี้นะเต็มไปด้วยน้ํามันจนถึงขอบปากเกือบล้นแล้วสั่งว่าให้ถือไปถ้าน้ํามันหยดแม้แต่หยดเดียวก็จะมีเพชฌฆาตเดินตามหลังมาฟันคอขัง เดินไปถือหม้อ น, น้ำมันที่เต็มปรีเลยไปด้วยน้ำมันนายเพชฌฆาตเดินอยู่ตามหลังถ้าสังเกตเห็นน้ำมันหยดแม้แต่หยดเดียวจะถูกฟันกอค่ะนักโทษคนนี้เดินไปนะถูกจับคุมขังให้เดินไปผ่านไปนในใจกลางเมืองในใจกลางเมืองเนี่ยก็มีการละเล่นนะเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งบนเวทีการละเล่นเนี่ยก็มีนางที่ฟ้อนรำสวยงามมากบนเวทีพระเาถามพระบอกว่าถ้าเผื่อว่านายคนนี้ นักเต้นคนนี้ถูกคุมขังมาเดินผ่านหน้าเวทีถือหม้อน้ำมันที่เต็มไปด้วยน้ำมันอยู่ถ้าหกแม้แต่หยดเดียวจะถูกพิชิต า, าที่เดินตามหลังมาฟันค อ, อการถามว่านายคนนี้จะมีสติอยู่ที่หม้อหรือมีสติที่การแสดงคำตอบก็คือเขาก็ต้องมีสติอยู่ที่หม้อแน่นอนไม่ให้น้ำมันหยดเลยหกมาเลยแม้แต่หยดเดียวคุณจะต้องมีสติรักษาจิตถึงขนาดนั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่คบชั้นอาหาร เดินไปข้างนอกบินทบาทนะมีสติในการตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องของขันตั้งห้าเรื่องของปฏิจจสมุปบาททุกอย่างต้องมีสติกำกับหมดแม้แต่คืนแรกที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยตรัสรู้แล้วจะคิดว่าจะสอนอะไรก็สอนสติปานสีในคืนสุดท้ายวันที่ปรินิพานคำพูดสุดท้ายที่พระชาได้ตรัสไว้ก็คือว่าให้มีอย่าประมาทการไม่ประมาทคืออะไร พ wedding, ะระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตรัสไว้ว่าก็คือการมีสติการไม่ประมาทเนี่ยก็คือการมีสต live eh. uh, ิพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าผู้อยู่อย่างเป็นผู้ไม่ประมาทเนี่ยก็คือมีความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายพอมีความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นอกุศลก็จะไม่เข้ามาการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายก็คืออะไรก็คือสตินั่นเองพอมีสติสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเป็นไงก็ไม่หึดหัด โกรธขึ้นเห็นสิ่งที่บาชใจทำไงก็ให้ลุ่มหลงตามไปเป็นผู้มีสติตอยู่นะักอกุรลทำทั้งหลายก็จะไม่เข้ามาเพราะอกศุศลทำไม่เข้ามาก็จะมีปิติปราโมทเกิดมีปิติปราโมทเกิดก็จะทําให้จิตมีสมาธิได้คนที่จิตมีสมาธิแล้วทำทั้งหลายก็ย่อมปรากฏนะลักษณะนี้คือผู้อยู่อย่างเป็นผู้ไม่ประมาทตั้งแต่คืนแรกที่คิดว่าจะสอนคนก็พูดถึงเรื่องสติปัฏฐานสี่คืนสุดท้ายที่ จะละขันติปรินิพานก็ยังพูดถึงเรื่องสติปัฏฐานสี่คือความไม่ประมาทระหว่างกลางก็เน้นเรื่องสติมากและไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็มีสติสอดแทรกอยู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรื่องสติเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากสติเนี่ยเราจะทําให้เกิดขึ้นได้อย่างไรสติเนี่ยอยู่ที่จิตเหมือนการที่จะเข้าสู่จิตรู้ได้ไงว่าจิตมีสติเนี่ยคุณต้องอาใัยกายเวทนาทั้งจิตหรือทั้งธรรมสี่อย่างนี้ เป็นฐานที่ตั้งของการมีสติสติเนี่ยมีได้ทุกที่ทุกเวลาตลอดเวลาด้วยในทุกๆ ท, ที่ด้วยพระเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนในเรื่องของอากายลุปัสนาสติปฐานคือการใช้กายเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของสติจะใช้อะไรบ้างา่เราหายใจก็ได้หรือการเคลื่อนไหวของกายก็ได้คุณขับรถอยู่คุณไม่รู้เราหายใจอ่ะคุณก็ใช้การเคลื่อนไหวของกายหรือว่าจะมารู้กระดูก ส่วนในของร่างกายก็ได้ถ้าไม่อย่างนั้นมารู้ตามความรู้สึกในกายคือเรื่องของเวทนาได้ไหมก็ได้คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายเก่ยนความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ปีติปราโมทย์ต่างๆได้ทั้งหมดหรือเป็นจิตได้ไหมในจิตของตัวเองที่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ได้แต่นะเพียงแต่ว่าให้อยู่ในกายเทนั้นเองไม่ให้จิตของเราเนี่ยออกนอกกายไปอะไรที่เกิดขึ้นในกายในจิงของเราเราทราบอย่าไปคิดเรื่องอื่น มีสติอยู่เท่านั้นเองส่วนเรื่องธรรมะเนี่ยมีอะไรบ้างก็ไล่ไปเลยตั้งแต่กุศลธรรมอย่างเช่นนิวรณ์ในกุศลลธรรมอย่างเช่นอานาปานสติสติปฐานอิทิบาสีโพชงห้าอะไรต่างๆโพชงเจ็ดอะไรต่างๆได้หมดเพราะฉะนั้นใครบอกว่าเราไม่สามารถมีสติในนิวรณ์ได้ได้พระเจ้าได้ตรัสไม่ชัดเจนในเรื่องธรรมานุปัสสนสติปฐานคุณนั่งสมาธิอยู่หรือว่าเดินไปข้างนอกอยู่ในที่ทํางานจิตไม่สงบ ฟุง้งซ่านไม่พอใจรําคาญไอ้หมอนี่มันทําไม่ถูกใจมีสติได้ให้มีสติอยู่ในสิ่งสิ่งนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติอยู่ในสิ่งที่เป็นอกุศลได้คุณถึงจะละอกุศลได้คุณต้องมีสติก่อนตั้งแต่ตอนที่อยู่ในอกุศลแล้วแล้วการที่มีสติอยู่ในสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เราไม่ชอบนะสิ่งที่ไม่ควรจะมีอย่างเช่นเรื่องนิวรณ์ต่างๆเรื่องความไม่ดีต่างๆเรื่องการปิดซีนก็มีสติได้หมด ถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยการมีสติอยู่ในสิ่งที่เป็นอกุศลกับการมีสติอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลต่างกันอย่างไรต่างกาันเรื่อนี้พระพุทธเจ้าเคยถามพระทั้งหลายเอาไว้นั่นบอกว่ า, าถามว่าบุคคลคนหนึ่งเนี่ยพรับสององค์เนี่ยนั่งสมาธิอยู่หรือว่าเดินไปอยู่ยทั้งสององค์ก็พยายามสังเกตกายสังเกตเวทนาสังเกตจิตสังเกตธรรมะต่างๆที่เกิดขึ้นแต่องค์หนึ่งองค์หนึ่งเนี่ยสามารถทําจิตให้ตั้งมั่นได้ ทำอุปกิเลสให้ละไปได้แต่ อ, องค์หนึ่งทำไม่ได้เพราะอะไรตอนนั้นที่สังเกตกายเวทนาจิตรำเหมือนกันมีสติเหมือนกันนี่นคือความแตกต่างของการมีสติปัญญามีสติแบบที่มีสมาธิและปัญญากับมีสติแบบที่ไม่มีสมาธิและไม่มีปัญญาสติเนี่ยมีอยู่ก็คือคนที่ยังมีสติแต่ว่ายังไม่บรรลุการที่จะบรรลุได้คุณต้องทําสมาธิและปัญญาให้สมดุลกันให้ไปพร้อมกันได้ แต่ถ้าคุณมีสติแต่ยังไม่มีสมาธิและไม่มีปัญญาก็ยังไม่สามารถทำมาผลนิพพา น, ในใได้แจ้งได้เพราะฉนั้นที่เราไปนั่งสมาธิมีสติอยู่มีสติอยู่มันน่าจะบรรลุโผงหน้าขนาดนั้นเลยแต่มันไม่บรรลุเพราะอะไรยังไม่มีสมาธิและปัญญาสติเนี่ยจะมีได้แต่งทุกที่นะอย่างที่บอกแล้วก็ถ้ามีสมาธิและปัญญามาประกอบถามว่าจะทำอย่างไรให้มีสติแล้วก็มีสมาธิและปัญญาตามมาด้วยนี่ไง พระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับพ่อครัวมีพ่อครัวสองคนคนหนึ่งเนี่ยก็ทําอาหารบำรุงเลี้ยงพระราชาหรืออามาตย์ของพระราชาทําอะไรมาบ้างซุปข้าวขนมปังอะไรต่างๆมาพร้อมเลยที่มีรสเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดมันขมอะไรต่างๆมาพร้อมแล้ว่พ่อครัวคนแรกเนี่ยทํามาเสร็จก็ไม่ได้สังเกตว่าเออเจ้านายเราเนี่ยหรือพระราชาหรืออามาตย์ของเราเนี่ยชอบกินรสไหนรสนี้ท่านตักมาก ระดั บ, บนี้ท่านตักน้อยวันหลังเราก็ ท, ทํารตีถูกใจท่านมาคนเนี้ยวันหลังเนี่ยก็ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ว่าไอ้เขาชอบกินอะไรมาแล้ววันหลังก็ไม่ได้ทําอาหารที่ถูกปากมาแต่พ่อครัวยคนหนึ่งเป็นคนช่างสังเกตสังเกตว่าโอ๋อพระราชาตักอันนี้มากอพระราชาตักอันนี้น้อยไม่ชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบอีกอันหนึ่งเราก็ทําอันอื่นที่ท่านชอบมาวันนี้อากาศเป็นแบบนี้ทําอาหารอย่างนี้วันนี้เป็นอากาศอีกแบบหนึ่งทําอาหารอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งทำอาหารที่ถูกตากพระราชาเพราะครัวคนที่สองเนี่ยก็จะได้รับรางวัลนะเป็นสิ่งของต่างๆให้รางวัลจากพระราชาแน่นอนเหนอนกันถ้าคนสองคนสังเกตกายเวทนาจิตทำอยู่พยายามเจริญสติปัฏฐานอยู่คนหนึ่งทำให้จิตตั้งมั่ด้ลกิเลสได้อีกคนหนึ่งทําไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สามารถสังเกตจิตของตนได้ไม่ฉลาดคนที่ ไม่สามารถทําให้สมาธิและปัญญาเกิดได้หลังจากที่มีสติเนี่ยเพราะว่าคุณไม่ฉลาดในการที่จะสังเกตมารณจิตของตนไม่สามารถกําหนดนิมิตแห่งจิตของตนได้ไม่รู้ว่าเอ๊ะสังเกตอย่างนี้แล้วจิตจะสงบสังเกตอย่างนั้นจิตไม่สงบพอคิดเรื่องนี้จิตสงบคิดเรื่องหนึ่งจิตไม่สงบไม่รู้จักสังเกตก็จะไม่ทําไม่สามารถทําให้สมาธิเกิดขึ้นได้คนหนึ่งรู้จักสังเกตเให้เราสังเกตลมหายใจ ที่ปลายจมูกจิตเป็นอย่างนี้ที่ต้นกลางจมูกจิตเป็นอีกอย่างหนึ่งอ๋อเราสังเกตที่กลางจมูกดีกว่าเนะพื่อที่จะทําให้จิตเนี่ยตั้งมันได้มากต้องรู้จักสังเกตยอย่างนี้เป็นผู้ที่สามารถกําหนดนมิติแห่งจิตของตนได้เวลาที่เราสังเกตลมหายใจเนี่ยก็เหมือนกันตำแหน่งที่สังเกตลมหายใจเองก็จะทําให้ผลที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยไม่เหมือนกันเรื่องที่เราเอามาพิจรารณามาคิดวิเคราะห์จะทําให้เกิดสมาธิแต่ละขั้นก็ไม่เหมือนกัน แต่บางคนอ่านประวัติของครูบาอาจารย์องนี้จิตเป็นอีกแบบหนึ่งอ่านประวัติของครูบาอาจารย์อ่านประวัติของเบอร์เรอร์าตจิตเป็นอีกแบบหนึ่นงเราต้องรู้จักสังเกตรตรงนี้อย่างมากถึงจะสามารถทําให้สมาธิและปัญญาเกิดขึ้นได้สมาธิเนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่าเมื่อมีองค์ของมัดทั้งเจ็ยคือเรื่องของสมาธิถิสัมมาสังคปะสัมมา กามันตะสัมมาวาจาสัมมาอชีวะสัมมาวายมะสมาสติแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งเนี่ยคือสมาสมาธิพอมีสัมมาสมาธิแล้วจะสามารถทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งพระรชาบอกว่าเป็นสัฐานะที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องสติเนี่ยจึงเป็นเหมือนกับเรื่องของเออ่ความสามารถเป็นทักษะเป็นทักษะที่จะเกิดขึ้นกับจิตนั่นเหมือนกับเรื่องภาษาเนี่ยเป็นทักษะอย่างหนึ่ง เรื่องความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ความสามารถในการขับขีจ่จักรยานหรือรถยนต์เป็นทักษะซึ่งสามารถฝึกได้เราฝึกซ้ําๆบ่อยๆมากๆขึ้ น, นก็จะทําให้จิตเนี่ยมีสติมีสติในสิ่งที่เป็นอกุศลก็ได้ไม่เป็นไรทําจะพยายามทําจิตให้สงบแต่จิตไม่สงบมีสติอยู่กับสิ่งนั้นได้ได้คิดถึงเรื่องนิวรณ์พยายามทําจิตให้สงบแต่ยังมีนิวรณ์อยู่มีสติกับนิวรณ์ได้ไหมได้ แล้วตรงนี้แหละจะเป็นกล้ามเนื้อที่ฝึกและเหมือนกล้ามเนื้อของเราเนี่ยต้องฝึกใช่ไหมต้องมีการยกน้ําหนักมีการอ่าใช้งานมันถึงจะสามารถมีกล้ามเนื้ออยู่ได้ถ้ากล้ามเนื้อไม่ได้ถูกใช้งานไม่ได้ถูกการฝึกเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะรีบลงรีบ ล, ลงเองเหมือนการจิตของเราเนี่ยต้องมีการฝึกฝึกเรื่องของสติมีสติให้มันหมดน่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรดีไม่ดีเอาหมดนะแต่พอมีสติแล้วเนี่ย เราจึงสามารถสังเกตว่าอ๋อเรื่องไม่ดีเราไม่เอาเรื่องดีเราเอาสติที่ถูกฝึกอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยจะทําหน้าที่เหมือนนายทวารเนี่ยเป็นยามที่เฝ้าประตูเมืนยังในโรงงานหรือตามหมู่บ้านเนี่ยเขาจะต้องมีประต่อ่ายามนะที่คอยเฝ้าอยู่คอยเฝ้าดูดูเอ๊ะคนนี้มีบัตรไหมคนนี้คุ้นหน้าไหมคนนี้มาทําอะไรต้องตรวจสอบอย่างนี้พอตรวจตราแล้วเนี่ยก็คือให้เข้าคนไหนคนที่รู้จักให้เข้า คนไม่รู้จักทำไงมาให้ข่าวไปจิตของเราก็เหมือนกันต้องมีสติเป็นนายทวาราะว่ามีกี่ประตูมีหกประตูเท่านั้นเองตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจมารเนี่ยมันจะได้ช่องไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมันจะต้องจะเอาเราอยู่แล้วเนมันจะมาทําให้เราโกรธทําให้เราไม่พอใจหรือไม่ก็มายั่วยวนเรามันล่อลวงเรามันไม่เอาทางตามันก็จะหูมันไม่ได้ทางหูมันแปลวาทางลิ้น มันไม่ได้ทางริมแววทางจมูกกายหรือใจมันจ้องที่จะเอาเราอยู่แล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเหมือนสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเห็นเ ต, าต่าตัวหนึ่งอยู่ที่ริมสะระรีวิ่งรี่เข้ามาเลยหวังอยู่ว่าถ้าเต่านะโผล่ส่วนใดส่วนหนึ่งในอวัยวะของมันออกมาจะฉุดกระชากส่วนนั้นแล้วก็ดึงทั้งตัวออกมากินนี่คือความคิดของมาจิ้งจอกเราเนี่ยก็ต้องมีกระดองนะคือเครื่องป้องกันสติเครื่องป้องกันจิต นั่นก็คือสติของเราให้สติเนี่ยเป็นนายทวารเห็นสริงใดก็ตามอย่าไหลไปตามไม่ไหลไปตามด้วยการเห็นรูปทั้งหมดหรือการเห็นเป็นส่วนๆมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลามีสติอยู่ในกายเว็นนาจิตธรรมอย่าให้จิตไหลไปในสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นอกุศลอย่าให้เข้ามาในจิตสิ่งที่เป็นกุศลเข้ามาได้คนสองคนเห็นสิ่งเดียวกันมีปัจจาร่วมกันในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นมีรถชนเกิดขึ้น คนประสบอุบัติเหตุหมอก็จะเห็นอย่างหนึ่งคนที่เดินข้ามถนนก็จะเห็นอีกอย่างหนึ่งคนที่เป็นคนชนเข่าก็จะเห็นอย่างหนึ่งคนที่ถูกชนก็จะเห็นอีกอย่างหนึ่ท ง, ทงทั้งๆที่ประสาททั้งหมดเกิดขึ้นพร้อมกันหมดเหมือนกันแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยมีความรู้สึกมีความคิดมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตไม่เหมือนกันเพราะว่าสติของเขาเป็นคนระเบบกั น, นจิตของเขามีพื้นฐานไม่เหมือนกัน เพราะนั้นสิ่งที่เราจะป้องกันไม่ให้อักกุศลเข้ามาในจิตของเราได้ก็คือสติสิ่งที่เราจะให้กุศลเข้ามาในจิตของเราได้นั่นก็คือสติสติเนี่ยต้องทำหน้าที่เป็นเหมือนนาวาวรเราต้องมีสติรักษาจิตตลอดเวลาเหมือนกับเวลาเราถือหม้อน้ำมันหม้อที่เต็มไปด้วยน้ำมันแม่น้ำมันหกท่านผู้ฟังอาจจมีความสงสัยสักนิดหนึ่งในเรื่องของการที่มีสติในสิ่งที่ ิทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะดีก็ตามจะเลวก็ตามมีสติได้หมดใช่นะสติอาจจะในสตินั้นอาจจะมีสมาธิหรือปัญญาก็ไม่เหมือนกันอยู่ที่บุคคลคนนั้นเพราะฉะนั้นถามว่าเอา๊เราจะทําอย่างไรให้สติของที่เรามีเนี่ยเมื่อจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมีสติอยู่แล้วจะทำยังไงให้สมาธิเกิดขึ้นจะทํายังไงให้ปัญญาเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องทดลองนักปฏิบัติเราเนี่ยต้องทดลองหมดอนะ่ะ ทุกรูปแบบนะบางคนบอกว่าเดินจงกรมต้องเอามือแว้ข้างหน้าบางคนบอกเอามือแว้ข้างหลังบางคนบอกเอามือแว้ข้างข้าง้นลองเป็นหมดทําแบบไหนจิตของเราถึงจะตั้งมั่นได้เอาแบบนั้นบางคนบอกนอนไม่ได้นะนอนทำํำสมาธิไม่ได้อลองนอนเลยวันหนึ่งนอนมันยี่สิบชั่วโมงเป็นยังไงหรือบอกต้องเดินอย่างเดียวเอาวันนี้ไม่นอนเลยเป็นยังไงจิตของเราเป็นยังไงถ้ามันหมดทุกอย่างนะเพื่อดูซิว่าอาการของจิตเราเนี่ยจะทํายังไงให้ มีเป็นจิตที่ตั้งมั่นได้รักอาสวะได้รักกิเลสได้เล่าเอาแบบนั้นบางคนบอกไม่สังเกตสามารถไม่สามารถสังเกตลมหายใ่ได้เอ้อนั้นไม่เอาไปสังเกตอย่างอื่นนะสังเกตจิตก็ได้สังเกตธรรมะก็ได้สังเกตเวทนาก็ได้เอาหมดทดลองต้องทําขอให้ทําทําให้จริงทําจริงเนี่ยมันจะได้ทำหล่อๆแหละๆทําย่อๆแย่ๆทำนิดนิดหนาๆแล้วก็เลิกไม่ได้เรื่องเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นศิษย์พระพุทธเจ้า เรามีครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างพร่ำสอนอยู่แล้วเวลาทําทําให้จริงเวลาปฏิบัติปฏิบัติให้จริงแบบไหนก็ได้เอาหมดดีหมดขอให้ทําจริงขอให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเวลาเรามีสติแล้วทําสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วทำวิชาและวิมุติให้แจ้งได้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในวันนี้คิดว่า ให้่านผู้ฟังได้รับทราบถึงข้อมูลที่เป็นแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับสติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุเกิดของสติก็คือเรื่องของกายใช้กายใช้เวทนาใช้จิตหรือใช้ธรรมสตินั้นจะมีได้ในทุกๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตามการที่จะมีสติแล้วทําให้เกิดสมาธิและปัญญาได้ก็ได้คุยกันแล้วในการแสดงธรรมปาฐคาถาในวันนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําต่อไปจากนี้ก็คือการฝึกให้จิตของเรา ม, มีสติอย่าให้ตกเป็นท่าของกิเลสอย่าให้มานมาดึงเราในทางใดทางหนึ่งในหทางนี้ให้มีสติอยู่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้สามเดือนก่อนการพริมิพานและบอกว่าพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดําริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาจิต ต, ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้ใหม่ในวันพุ่นี้เวลา5้านาฬิกาถึง 5, ง 5. งา้านาิกาสานาทีที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ